เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องเจ้าจมูกบี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหัวหน้าของหมู่บ้านนี้เป็นคนกล้าหาญ แต่ติดอ่างและพูดจาไม่ชัดท้อยชัดคําแบบคนจมูกบี้โดยทั่วไปแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้านเพราะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้ดีได้เสมอแม้ในครั้งนี้ก็เช่นกันหมู่บ้านแห่งนี้มีโจรเข้าไปปล้นหมู่บ้านบังเอิญหัวหน้าโจรก็จมูกบี้เช่นกัน เขาปล้นหมู่บ้านได้ก็ล้อมไว้แต่ทางด้านหมู่บ้านหัวหน้าก็ให้ลูกบ้านตรึงกำลังไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหัวหน้าโจรพูดเสียงจมูกบี้ว่าไอเอื้อบุกเอาหมู่บ้านไอ่ๆหมายความว่าไอเสือบุกเอาหมู่บ้านให้ได้หัวหน้าหมู่บ้านก็พูดเสียงจมูกบี้เช่นกันพ่วงเอา อ๋อยอ่ะก็หมายความว่าพวกเราอย่าถอยนะหัวหน้าโจรตะโกนตอบทันทีอึ้งอ้อเอียนอูอ๋อ่ำโอ๊กอี้เหมือนอูเ อ, อยหัวหน้าโจรหมายความว่ามึงล้อเลียนกูเหรอทำจมูกบี้เหมือนกูเลยหัวหน้าหมู่บ้านลุกขึ้นยืนแล้วมือชี้ที่จมูกด้วยอ่าวอ้อ เอาอกอีกอิงอิงแปลว่าเปล่าล้อจมูกบี้จริงๆหัวหน้าโจรตะโกนสั่งสมุนทันขวัญว่า อ, อ้ว ก, กเอาอ้ อ, อยเอาอ้วกเอียวอันโอ้อยคือพวกเราถอยเราพวกเดียวกันโว้ยเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการยอมรับให้เป็นพวกเดียวกัน มองทุกคนเป็นเพื่อนเราเหมือนเราโลกนี้ก็จะมีแต่สันติสุขเพราะอยู่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน